ก่อนเวลาคำว่ารายการก่อนเวลาหมายความว่าถ้าเป็นเวลาจริงๆก็จะพูดกันได้เฉพาะวิธีเจริญกรรมฐานคือสมาถานแล้วก็วิธีเจริญกรรมฐานแต่ความรู้รอบตัวนี่จะไม่ได้ในการเจริญกรรมฐานจริงๆก็มีหลายขั้นตอนอย่างคำว่าสมาธิสมาธิจะแปลว่าการตั้งใจ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 ก็ต้องเพียงแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกพยายามเอาจิตเข้าไปทรงตัวเวลาให้ใจเข้าตั้งใจว่าเราจะรู้ว่าลมให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมให้ใจออกกรงความว่าให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีเรารู้ตัวขณะใดที่รู้ตัวอยู่ก็ให้ใจเข้าหรือใจออก เวลานั้นชื่อว่าเรามีสมาธิในอานาปานุสติกามฐานคือลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการรู้ตัวยังไม่ภาวนาก็าตามนึอภาวนาด้วยกว็าตามมันจะส่งตัวได้ไม่นานสักประเดี๋ยวเดีย ว, ยวจิตก็จะเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่น <c oughs> ถ้าจิตเคลื่อนก็คิดนั่นคิดนี่ไปตามเรื่องตรรราของจิตคิดไปรอบนอก ก็เป็นธรรมดาเพร่อรู้ตัวขึ้นมาใหม่ไม่รู้ตัวขึ้นมาว่าเวลานี้จิตคิดนอกรูนอกทางเกินที่เราตั้งใจไว้ก็หันเข้าไปรับรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่อย่างนี้ที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเะนั้นวันนี้ก็ขอแนะนำกันแค่คณิกะสมาธิดีไม่น้อยอมากไปได้พวกนี้อุปจารสมาธิเพราะว่าการคุมสมาธิขั้นต้น ถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธินี่ญาติโยมพุทธบริษัท ต, ต้องเข้าไปควบคุมนิวรณ์ด้วยวันนี้ก็ขอแนะนําล่นน้อยการฝึกขั้นต้นก็ท่านึงให้รู้ลมให้ใจเท่าออกแล้วก็ขอได้โปรดจงอย่าเคลื่อกับอารมณ์บางทีเราตั้งใจเกินไปคิดว่าเราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์จากการทรงตัว แต่ไปเดียวหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปคิดอย่างนอนอย่างนี้เข้านั่นนี่เราตั้งใจคิดว่าจะทรงตัวให้มากเมื่อจิตทรงตัวไม่ได้มากเราก็โมโหจิตถ้าเราไปตั้งใจโมโหจิตหรือโกรธใจอย่างนี้จิตฟุ้งร่านสมาธิพราดก็ต้องทําใจ ส, สบายคิดว่าการฝึกสมาธิจะมากกวาตามจะน้อยกว่าตามย่อมมีอันนี้สอง เพือ่อ น, นี่สงนัหมายความว่าถ้าบุคคลใดสามารถทรงคณิกะสมาธิได้คําว่าทรงนี่ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าทั้งวันนี้ไม่ใช่คณิกาสมาธิอันนี้เป็นชาน <c oughs> คําว่าทรงคณิกาสมาธิได้หมายความว่าขณะเวลาใดก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้าราองการจะรู้ลมให้ใจออกก็ตามจะต้องการภาวนาควบคู่ก็ตามเราสามารถทําได้ เมื่อมีความสามารถทำได้แต่่ว่าสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไหลก็ไหลไปเรารู้ตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่แต่ก็สักครู่หนึ่งก็ไม่สามารถจะทนได้ลำคาญต้องเลิกอย่างนี้เขาที่ว่าทรงในขั้ น, นได้ในขั้นคัธิการสมาธิ <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้ถึงขัง้นขณะสมาธินี่มีการลบ ม, มีการสะสมทีละน้อยแะน้อยไม่ใช่ของต่าจนกว่าเราจะตายหรือเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แล้กรู้ลมให้ใจเข้าออกและภาวนาไปด้วยคาว่าภาวนาเนี่ย ให้ภาวนาตามมัธย า, ายาใสจะส่วนใหญ่เขาแนะนําให้ภาวนาว่าพุทโธจะเริ่มใหม่ๆห่ถ้าให้ภาวนาว่าพุทโธคือใใจเข้านึกว่าพุทธใจออกเป็นพุทโธแล้วําภาวนาวนี่ไม่บังคับนะใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญมาเป็นอาการตายเข้ามาถึงพองดีแต่ยังไม่ตาย ขณะที่ป่วยเกิดไม่ไว้ไม่วังไม่ใจไม่ไว้ใจตัวเองนึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธได้บ้างประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปต่อไปต่อไปเมื่ออรมณ์สบายขึ้นนึกให้ใจเข้านึกว่าพุทธใหใจออกนึกว่าโธประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปเพียงแค่เท่านี้ถ้าายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นได้แน่นอน แต่ว่าเรื่องกําลังของพุทธานุตตรกรรมฐานานี่ยังวดไปก่อนวันนี้พระจะแนะนํามาให้พูดถึงกาลังของทานเพราะว่าอาจารบอกว่ากําลังของทานเนี่ยในพระพธศาสนาของเรามีมีการทำบุญโดยสามอย่างหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาวันนี้ให้ถูดกาลังของทานเป็นสําคัญ กำลังพ้ทานก็อยขอนําพระสูตรสูตรหนึ่งถ้าเอาพระสูตรมาคุยกันนี่ก็คุยกันง่ายหน่อยฟังอารู้เรื่องคือพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่นนึกไม่ออกก็แล้วเขอท่านปิดสะเป็นเป็นประวัยความเป็นมาท่านปิสะปุติคัตท่านปุติคัตปิดสะ ความมิยว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีเวลานั่นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงป ร, ร, รารพระปูริคัสติสะเถระทรงตับพระธรรมเทศนาว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัวิงปริอัติอิเศสติเป็นต้น เนื่อความมีว่าในเมืองนั้นปรากฏว่ามีกุณบุตคนหนึ่งในเมื่อขณะไม่ได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาระแรกก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจถวาย อ, อกใตยพุทธศาสนานั่นหมายว่าถวายต้องการจะบวชตลอดชีวิต เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ขอบันโอโห้สมบูรณ์บำบัดชาจากพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่นานนักก็มีกําลังใจขั้นชานโลกีทรงตัวได้บ้างทรงตัวไม่ได้บ้างกําลังยังไม่มั่นคงต่อมาโรคร้ายก็ปรากฏขึ้นกับร่างกายของท่านมันเป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆนิดๆตุ่มนิดๆทั่วตัว ต่อมาเจ้าตูมนั่นก็โตขึ้นทําเม็ดถั่เขียวอยากเม็ดถั่เขียวก็ทาเม็ดถัวเหลืองจากเม็ดถัเหลืองก็เท่าข้าวผลส้มนัำก้าวน้ำข้าก็โตเท่าผลมะตูมมันเต็มตัวไปหมดพอเม็ดต่างพองใสตัวท้งมาตูมมันก็แตกแตกทั้งหมดเป็นน้าเหลืองเยื่อมทั้งร่างกาย ท่านกระลุกไม่ไหวมันดาพระท่านหลายก็ปฏิบัติกันต้านกาลังต้ารกําลังต่อมาไม่ช้าไม่นานนักกระดูกของท่านก็แตกทาว่ากระดูกแตกในตามบาลีไม่ได้บอกว่าแตกส่วนใดส่วนหนึ่งคนจะแตกทั้งกาย <c oughs> กระดูกก็แตกผ้ากันเลือกเพื่อไปําเหลืองบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปฏิบัติไม่ไหวเมื่อปฏิบัติไม่ไหวก็พากันทิ้ง ร่อยรอความตายตั้งบอกว่าในคืนวันวันนิ้พระท่านทิ้งวันสมุมาทิ้งวันนี้นะเวลาเช้ามดืดพระพุทธเจ้าตรวจปริสัยทองสัตว์ตามเวลาการตรวจปริสัยท้องสัตว์พระพุทธเจ้าดีตามพระสูตรสูตรนี้บอกว่ามีสองเวลาคือถ้าเวลาเช้ามดืดถ้าตรวจมาจากขอดจักวายนเข้ามาถึงพระที่อยู่ของพระองค์ ถ้าเวลาตอนเย็นก็ตรวจตั้งที่อยู่พรอออกไปหาขอบจักรวาลแต่วันนั้นเป็นการตรวจอุัยิสัเขาจัดต่ตอนเช้ามืดจากขอบจักรวาลเข้ามาในสถานที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่วระโสดาบาันขึ้นไปต่อมาเมื่อใกล้ เ, ข, าาเข้ามาเขตวีหายก็ตนพระปุริคัติษะเนี่ยอยู่วิหารพระเจ้าอยู่หันเดียวกัน <c oughs> ปรากฏว่าท่านก็เห็นพระพุทธคัตว่ามีอุปสายอารหันในวันพรุนี้วันพรุ่งนี้พระติะดสระหรือพุทธคัตติดสระพุทธคัตแค่เปลวนเนาว่าพระติดสระู็มีร่างกายเนา่าในวันพรุ่งนี้จะได้บรรลุผลคืออรหัสพร้อมกับนิพพานแต่กด้ทรงทราบว่าเวลานี้บรรดาพระฤาษีฤาหาทั้งหลายตายกันทอดทิ้งเธอมีร่างกายเน่าไปทั้งตัว ผ้ากระเต็มชื้นไม่ได้น้ำเหลืองเกิดกลางทั้งร่างกายทั้งผ้ากระดูกร่างกายก็แตกขยับร่างกายไม่ไหวก็ทรงนินินต่อไปว่านอกจากตถาคตแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแต่เจอได้ก็นั้นเวลาเช้าหลังจากฉันบรรดาหาตาตาหารเสร็จก็ทรงรเสด็จออกจากวิหารของพระองค์ ไปแล้วก็ทําว่าเที่ยวไปในวิหารตรงแล้วเดินไปเดินมาก็วแวะห้องของพระติสระรงเอ า, า, าน้กาลน้ํามาตั้งที่เตาต้มให้ร้อนแล้วเอาผ้าที่เปื้อนน้ําเหลืองของเธอมาหวังจะซักก็พอดีพระสงฆ์เห็นเขาก็บอกว่างานนี้ข้าพุทธเจ้าทําเองไม่เจ้าค่าถ้าใลรหยิบผ้าที่เป็นน้ําเหลืองมาบอกว่าสงฆ์ว่าต้มน้ํำให้ร้อนอะผ้านี่ต้มขยี้เห่หมดน้ําเหลือง แล้วถ้าก็เอาผ้าพื้นหนึ่งไปชุบน้าร้อนมาค่อยๆเช็ดตัวของพระติสัยที่น้าเหลืองกลางทั้งตัวเช็ดจนทัง่งร่างกายแห้งน้าเหลืองแห้งหมดร่างกายสะอาดเวลานั้นพระติสัยก็มีความเบาใจสื่นใจขึ้นมาเพื่อมีใจมี อ, า ก, ามอาการปลอดโปรงขึ้นมาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่ที่ทําตามนั่นก็คือพระพุทธเจ้ากําลังใจก็เกิดมาก ต่มาองสําเร็จพระผู้มีพระพระาเจ้าที่ในทรงตรัสเห็นเธอมีกําลังเบาใจเดี๋ยวดูตําราก่อนเดี๋ยวจะว่าผิดไปพระพทุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างพิกขุมันหมายความพิสุทันที่พิสุเรื่อยร่างกายของเธอของร่างกายของเธอนี้ในเมื่อวิญญาณไปปราศแล้วหมายความว่าถ้าไม่มีร่างถ้าไม่มีวันวิญญาณ มันก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ที่เมันได้ทับถมพื้นบดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เขาจริงแล้วก็พคุยครั้งหนึ่งฉันบอกว่าพิสุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราศแล้วหาประโยชน์ไม่ได้จะนอนทับเป็นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ ถ้าต่อมาก็ต้องจัดเป็นคาถาว่าอาจิรังวัตยังกายโยก็ได้แ ม, ม่บรรชาถ้าจำไม่ได้บรรสกุลเป็นนะอจิรังวัตยังกายโยปเทวิงอดิเสษสติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าที่สุไม่นานหนอร่างกายร่างกายนี้จักนอนทับผืนแผ่นดินกายนี้เมื่อมีวิญญาณไปตราดแล้ว เติมอวีุคลทั้งหลายเขาก็อยากทอดทิ้งไปเหมือนก็ทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านก็นมาลุอราตผลอราตผลพร้อมบริสุทธิ์า ย, ยานและก็ น, นิพพานทันทีตอนนี้ก็มาว่ากันเพิ่งกดกรุ๊กกรรมเมื่อพระติดสะข้มาภูฏิคัตในประวันเน่าเติมเข้ามาใหม่พระภูริคัตติสะท่านนิพพานและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ก็รักได้รับคําสั่งจากพระเจ้าให้ทําเจดีพระเจ้าสั่งเผาร่างกายแล้วก็กระดูกบรรจุเจดีเขาไว้ต่อมาบรรดาผสมทั้งหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภะกวาแค่แต่องค์สมเด็จพระพูมีพระพากเจ้ า, จาผู้เจริญพระพุทธเดียวกาท่าติดจะทํากรรมอะไรไว้จึงมีร่างกายเน่าและกระดูกแตด ความยิงนละถามไม่สองตอนจะขอรวบรัดและก็ในที่สุดจึงได้บร ร, ระะลุอรรัธรรผลพร้อมวปสมัมพิชายานไปนิพพานได้องสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพิเควเวดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายการที่ปุริคัตติสสะหรือว่าติสสะอย่างเดียวก็ได้ปุริคัตไปันเนาว พระบุริคัตติษะคือพระติษะผู้มีร่างกายเน่าในชาติก่อนโน้นเธอเป็นรานฆ่านกคือดักนกบ้างยิงนกบ้างเอามาขายกับอิสระชนคนที่มีสตังบางวันถ้าขายยังไม่หมดมีนกน้อยๆก็ย่างเก็บไว้ขายในวันพรุงนี้บางวันถ่านกมีมากต้องเก็เหลือมีมาก ก็ออย่างบ้างส่วนที่ยังเหลือที่จะขายสดในวันทรุงนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆก็เกรงว่านกจะบินหนีไปก็เลยหักขาบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องกันนกบินหนีนั่นกล่าวว่าเพราะกรรมอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้จิสสะต้องมีกายเน่าแล้วก็มีกระดูกแตกต่อไปขั้นที่สองที่พระถามว่า เพราะผลบ enfin ุญอะไรยิงได้สิริสเร็จอรหันพร้อมบริชมิทายานและก็นิพานในเวลาเดียวกันก็นี้ญาติโยมฟังแล้วจำไว้นะซึ่งมีพระตนนนมากเพราะว่าผลของทานนี่ไม่สามารถจะไปนิพานได้แต่ว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าผลของทานนี่ไปนิพานได้พทะเจ้าทรงตรัสว่าพิกเวดูกรดพิสุตตังหล ในสมัยเมื่อติดสะข้านกขายแค่นั่นเองวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีนาศกพระขีนาศกก็คือพระอรหันต์มาบินาบาตในเวลาเช้าในเมื่อในในคนในพรานนกเห็นเข้าก็นินมนท่านยืนอยู่แลวก็รับบาตรมา ก็มีความรู้สึกว่าร่างเรานี่ทำบาปทุกวันไม่เคยทำบุญเลย <c oughs> แต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระออนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตั้งสั่งคนในบ้านให้ทำกับข้าวฮีรถอร่อยที่สุดที่ชอบปีสุดได้เนื้อเอานกเอานเอา น, นื้อนกมาทำว่าทำเสร็จก็ปลายกลว่านําไปใส่บาตรพระจนเต็มเป็นที่พอใจส็หตัวเอง ท่านบอกว่าได้ผลบุญคือถ ว, วายทานกับข้าวีนาสดที่เองข้าวขีนาสดคือพระอรหันต์อาชาตินี้ชาติท้ายเป็นปัจจัยได้รู้รอรหันทร้อมไปสิมิทายานอันนี้เป็นวันนี้ว่าท่านปราบอกให้ปรารบเรื่องทานเป็นสันใชเพราะว่าการทําบุญในพระศาสนามีทานสิลภาวนาจะได้ทราบกันว่าการให้ทานหรือทำทานเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานได้ วันนี้พวกเร็ขอย้ำกล่าวถึงบุญการถวายทานนี่มีอันใดสงไม่เสมอกัน <c oughs> ถวายทานเป็นส่วนบุคคลก็มีอันใสงแต่ลำดับก็อย่าขอตัดเอาขั้นสูงเลยที่จะบอกว่าถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีอันใดสงไม่เท่ากับถวายทานแด่พระพเจ้าพระเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระเพุท ธ, ธเจ้าร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแบบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งม่ถาวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วต่อมาท่านตอว่าสัพพทานนังธรรมทานนังชินาติ การให้ทําเป็นทานยานตทานทุกอย่างการให้ทําเป็นทานก็หมายถึงว่าการสร้างหนังสือธรรมะให้วิชาความรู้หรือว่าบรรดาญาติโยมพบริษัทที่สอนธรรมะแก่คนก็ดีสอนกรรมฐ า, านกับคนก็ดีอนั น, าานนี้เป็นกรรมฐานสอนกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานท่านสูงสุดฉะนั้นเวลานี้ท่านแนะนำบกว่าให้บอกญาติโยมตามมาตรง ว่าการที่วัดนี้จะให้มีการถวายสังทานชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ตามและชุดหนึ่งจะคนเดียวก็ตามจะหลายคนร่วมกันทำก็ตามย่อมมีานสงฆ์เป็ น, น, นการถวายสังฆทานและการถวายสังทานของท่านมีในสงฆ์มากกว่าพระติดสลถวายทานกับวิชีนศกเพราะว่าวิชีนาศกนั้นเป็นพระอรหันต์องค์เดียวตามบารีท่านบอกแล้วว่าถวายทานแกพระอรหันต์เองลอยครั้ง มีผลไม่เท่าถวายทานแด่พระบาทเจ้พุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบาทเจ้พุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแด่สมเด็จสมมาพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จสมมาเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอันนี้สูงสูงดังนั้นทุกคนให้มั่นใจในในทานที่ตนถวายแล้วไม่เหมือนเวลาเท่าไหรเอ๊ะ เดินเนลยใชเครื่องนี้ก็ไปนั้นฟ่าวันนี้จะเริ่มเจริกันมาถานครั้งแรกในิหารอยเม็ดรือบอกคนที่ไปวันที่27สิงหาคม2532อันดับแรกที่นำพระสูตรนี่มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไข่ชนดูว่าการเปิดแนะนำกันครั้งแรกจะใช้อะไรก่อน ก็พระจะบอกว่าให้ใช้เรืเ่องพร ะ, ะพุทธปติสัพุทธิคัติสัพเพราะเกี่ยวกับการถวายทานท่านก็บอกว่าตามส่วนใหญ่ที่พูดกันว่าการถวายทานไม่มีปัจจัยเข้านิพพานได้อันนั้นไม่จริงเมื่อดา จ, จันพุทธบริษัทก็ฟังแล้วดังนี้นเมื่อเราฟังแล้ววันนี้จะเรียนกรรมาฐานกรรมาฐานที่ทําในวันนี้เป็นหลักสูตรของทละพิญโย เป็นหมวดที่สามของการเจริญพระกรรมฐ า, านหมวดที่หนึ่งสุขับาสโกอันนี้เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหมดได้ฌานสมาบัติได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเตวิโชคือวิชาสามระลึกชาติได้มีความเป็นทิพย์จิตสปทิพย์ได้แต่ไปไม่ได้เทวดานางฟ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดรมที่ไหนเราเห็นหมดนรกเป็นศุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นหมด แต่ว่าเราไปหาเข้ามาได้คุยกันได้แต่สําหรับชละพิงโยนี่เห็นได้แล้วก็ไปหากันได้ฉะนั้นบทนี้จึงเป็นบทชละพิงโยไปหาเทวดาก็ไปสวรรค์ก็ได้ไปโกมัโลกก็ได้ไปยิปายก็ได้ไปเป็นโลกสุรกายได้หมดถึกในเมื่อไปได้วันนี้เราฟังเรื่องของประโูติคัตติสะฟังแล้วเวลาซักซ้อมกัน เป็นการการทบทวนอติตังสยานทุกคนเวลาจะทำสมาธิให้ทำสมาธิด้วยความตั้งใจแล้วก็จงอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอสมควรอันนี้มันเดินเปล่ัไม่เดินตัวเนี้ยไม่เดินเอาเครื่องดีมาเลยนะย ไ, ไม่รู้เวลากันเนี้ย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 คือตั้งใจอย่าให้เครียดแค่เอาจิตใจถ้ารู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกและเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเบาๆสบ า, บายๆให้พยายามทําจิตให้เป็นสุขการทรงอารมณ์ภาวนาที่ครูให้ทําก็ไม่เกินสิบนาทีให้เวลาสิบนาทีนี่มันได้ย่าโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาเล็กน้อยแต่คิดว่าเลยคุมอารมณ์อยู่อันนี้ไม่จริงอ่ะ ว่เดียวเดียวจิตก็แลบไปสู่อารมณ์อื่นก็ถือว่าเปเร่องธรรมด า, าก็จงอย่าคิดว่าเราทําผิดยังถือว่าเราถูกเมื่อมันแลบไปเรารู้สึกตัวก็กลับวนมาใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่การภาวนาให้ตั้งใจภาวนาว่านะมะปาทะเราฝึกเฉพาะชนะพิญโยนะความจริงบทนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีคำภาวนาเฉพาะเฉพะมาทัศมณะมะปาท ะ, ะ, ะ, ะ, ะอย่างเดียว อย่างอื่นก็เยอะแต่ที่เรียกมาเรียกมาใช้ในหมวดคำบรนาอย่างนี้เห็นว่าได้กันเร็วและชัดเนจนแจ่มใสดีกว่าเวลาย ใ, ใจเข้านึ ก, กว่านะมะเวล า, า ใ, ใจออกนึกพระพระเอาตามนี้นะในเมื่อให้ใจเข้าใจออกรู้ธรรมะให้ใจเข้านึกนามะให้ใจอนึกพระทะถ้าจิตมันเคลื่อนไปก็ตั้งใจรู้ใหม่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 ความมันทิ่จะปลายกดตรงนี้แต่ความมันทิ่จะเกิดได้ก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลาที่เราแนะนำในการตัโจดหูฟังตั้งใจฟังเสียงที่เขาพูดจิตก็น้อมไปกิเลสจะค่อยคอยวางมือกำลังเบาล ง, าลงทีละน้อยแตน้อยในที่สุดจนกระทั่งจิตไม่นึกถึงกิเลสมันจะเป็นเฉพาะเวลาเล็กน้อยกช่าง เมื่อจิตไม่นึกถึงกิเลสเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็มีความสะอาดเมื่อจิตมีความะอายความเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นความเป็นทิพเกิดขึ้นในตอนนี้ขอมันดาแทนพระธรรมวิทัชจรดให้ตั้งจะเชื่ออารมณ์แรกเป็นสำคัญถ้าเขาถามแล้วว่าอย่างไงใจนึสตอบยังไงตอบทันทีตามใจนึกอย่ายั่งตัวหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อค่องตัวดีแล้ว ก็พาไปดูกดข้องกกรรมับพระติสษะเพื่บุริคติสระอันดับแรกก็ขอดูว่ า, วาพระติสระเวลาที่พระพุทธเจ้าเวลานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขณะที่กำลังเทศขั้งกันสุดท้ายนี่คือว่าอาจิรังวัตยังกายอยูว่ากายนี้ถ้ามีวิญ ญ, ญาณไปปราบแล้วถ้ามีวิญ ญ, ญาณไปปราบแล้วก็จะนอนทับไปดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครก็ต้องการ เวลานั้นท่านป่วยอยู่ท่านกิตใจสบายมันจะมีความรู้สึกยังไงขณะที่ฟังเทศฐาพระเจ้าจบและการเคลื่อนตัวปณิพนังเคลื่อนแบบไหนขอดูตัวิตขอดูจิต ใ, ใจทันเวลานั้นหลังจากนั้นก็พาเขาถอยหลังเข้าไปถึงใช่ก่อนเองพระติสระที่เป็นในพรานนกกระรูปร่างหนาตาตัวนยังไงมีฐานะเปยังไงเขาค่านกไปยังไงเขาทําแบบไหน ถ้าพระอาหารหันต์ที่เขาทําบุญนรูปร่างหน้าตาตัวนยังไงอันนี้คนจะทบทวนไปตีตังสียานแต่ถ้ามีเวลาพอแล้วก็ทบทวนกฎข้องกรรมของเราสิด้วยว่ากฎของกรรมของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีฐานะแบบนี้เพราะอาศัยบุญอะไรเก้ความสุขเกิดความทุกข์ที่มาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยกรรมที่ไปนอนุสลแบบไหน ล้ามีกรรมประเภทไหนบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วแล้วก็ต่อไปในเบื้องหน้ามันจะให้โทษเราแบบไหนแล้วเราจะหนีกรรมประเภทนี้ไปยังไงอันนี้นักจเจริญกรรมฐานแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะมีกายคล่องตัวพอดีเครื่องตั้งเวลามันก็ไม่ยอมตั้งด้วย<ม>อ๋อเออ อะไรต่อที่ไปก็ธรรมดาญาติโยงพรทจัริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานบรรมฐานอาหาร่าวทางพระโดนจ้ะไหว้พรก่อนนะ